จิตคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ทานน้ําให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดยสม่ําเสมอก็มีควา ม, วามสดชื่นดีและตโตโตขึ้นได้เร็วกว่าปกติธรรมดาที่ที่ไม่ถูกตาโดยไม่บํารุงรักษาจิตใจเมื่อบํารุงรักษาอยู่โดยสม่ําเสมอก็มีความ ของใสมีความสงบเยอกเย็นเป็นลำดับลำดับไปถ้าขาดการบำรุงมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดจากการบำรุงขาดระยะใดขอแสดงความอับเฉาขึ้นเพราะสิ่งที่จะทำให้อับเฉามีแท้อรือภายใน จ, จิตใจของคนเราอยู่แล้ว การนำรุรักษาอยู่ด้วยอิกับภาว น, นาโดยสม่งเสมอจิตจึงมีความสงบร่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตมีความสงบความสงบกับความปร่งใสก็เพิ่มเป็นไปในระยะเดียวกันเมืจิตมีความสงบ เราจะพิจารณาไต่ตรองอะไรก็ได้เหตุได้ผลพอเข้าออเข้าใจตามความจริงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในตัวเองหากจิตกําลังว่าวุ่นขุน ม, มัวอยู่จะคิดอะไรก็ไม่ได้หลอกทั้งนั้นแหละถูกก็เป็นผิดไปส่วนผิดก็ยิ่งเป็นผิดไปได้เรื่อยเพะนั้นท่านจึงสอนให้อุปโภคเพื่อ จ, จิตจมีความสมบงบร่มเย็นและผ่องใส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 อะไรที่แฝงอยู่ภายในจิตใจมากน้อยไม่สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันทั้งๆ ท, ที่มันเป็นโทษอยู่ภายในใจข อ, ของเราตลอดมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะจิตใจไม่ผปร่งใสพิจารไม่เห็นจึงต้องอบรมจริตให้มีความโปรงใสแล้วก็เห็นเงาของตัว เงานั้นมันแสงอยู่ภายในจิตคือการต่างๆที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าเงาและทําทให้เราตื่นเราหลงอยู่เสมอด้วยเงาของเราเองได้แก่ความคิดความปรุงต่างๆที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอออกจากจิตอยู่ทุกเว ล, ลาทําให้เราเผลอตัวไปเรด้วยๆเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็เป็นเราอันนั้นก็เป็นเราอะไรไม่จะเป็นเร า, าหมดทั้งๆ ท, งที่เป็นเงาไม่ใช่ตัวจริง แต่ความเชื่อถอือคือความหลงตามไปนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงไปเสียมันจริงเป็นผลขึ้นมาให้เราไรับความเดือดร้อนเวลานี้ครูวาอาจารย์ทั้งหลายที่ขอรพ บ, บูชาเป็นที่ขอรพปูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าปล่อยหล่อลงไปโดยลํำดับอุทยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เกี่ยวกับเรื่องทานลงคัน ทำบุญชุดชมลงไปโดยลําดับลาดาอย่างท่านทาจาขาวเป็นต้นหเห็นแน้วก็รู้สึกสลดสังเวชเหมือนกันในเรื่องทานสําคัญีถึงเวลามันเทียบแล้วก็เหมือนไม่เคยมีความแข็งแรงเปต่างอะไรมาแต่ก่อนเลยนอนอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ในอยาบทไดก็เป็นทุกข์เมื่อถึงคราวทุกข์รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทุกข์กันทั้งนั้นเด็ด ทุกของท่านผู้เส้นนั้นก็สอบเทียบเป็นไปการธาตุตามขันทางด้านจิตใจท่านไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องธาตุเหลืขันที่แสดงตัวนี่ถึงกพวกเรานั้นมันคอยรับอยู่เสมอไม่ว่าทางด้านจิตใจไม่ว่าทางธาตุขันที่แสดงออกทิปปะอิขึ้นไปต่างๆอนณาจิตก็ผิดไปด้วยเป็นธาตุขันมีคนมีการจิตก็วิคนมีการไปด้วยทั้งๆที่จิตก็ดีๆนั่นแหละขอเพราะความบันไหว ของจิตนันเองเนื่องจากสติปัญญาไม่ทันทนถึงสอนให้ออรวมสติปัญญาให้มีความสามารถแก้อกาการให้ทันกับเหตุการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตและอาการต่างๆที่มีรอบตัวได้แก่ขันแสดงตัวออกในอาการวิปริตอย่างไรก็ตามในส่วนใดก็ตามจิตได้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่า น, นี้อาจิตไม่รู้เท่าเฉยอย่างเดียว หลงไปตามสิ่งอ น, นั้นเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็เสีอยอ่ะเป็นการก่อทุกข์ให้ตัวเองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความทุกข์ก็ต้องทับถมเข้ามาทางจิตใจในร่างกายจะเป็นทุกข์ตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตามแต่จิตก็ต้องประคว้าเอาอนั้นมาเป็นทุกข์เผารนตัวเองหากไม่ได้พิจารณาให้รู้ทันเปิดจิต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 ปัญญาเป็นผู้ที่คลายเป็นผู้พิจารณาแล้วแก้ไขอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเรื่องก่อสงบลงไปแต่ถ้าขาดสติแล้วจะสืบต่อกันไปเรื่อยๆแม้ความคิดความปรุงจะเกิดขึ้นดับไปดับไปก็ตามแต่เรื่องปัญญาความสำคัญมั่นหมายนั้นจะไม่ดับต่อกันเป็นสายาเวเหยียดไปทุกก็ต้องเป็นสายยาเหยียด แล้วก็มารวมอยู่ที่จิตเป็นที่รับเคราะกรรมทั้งหลายที่เจ้าสังขารเจ้าสัญญาคิดปรุมขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสําคัญชำหรับรับรองทั้งสุขและทุกข์เป็นมากขอรับทุกข์ท่าสติปัญญาไม่มีขอรับตั้งแต่ของเพเกของทิ้งของใช้ไม่ได้ของเป็นพิชเป็นภัยนั่นแหลไว้ภายในใจิตใจทํามีสติปัญญาก็เลือกเฟ้นออก อันไหนไม่ดีก็เลือกเป็นจับทิ้งออกไปทิ้งออกไปสลัดปัดทิ้งออกไปเรื่อยๆเหลือแต่สิ่งที่เป็นสาระอยู่ภายในจิตใจใจก็เย็ยนใจไม่ได้เย็ยนด้วยน้ำภายนอกไม่ได้สุดด้วยสิ่งภายนอกแต่ใจเย็ยนด้วยด้วยอดด้วยธรรม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 มันฝังตมอยู่ภายในมาเป็นเวลานานนั่นเป็นเรื่องที่ยากอยู่มากดีไม่ดีก็อาจท้อถอยเพราะทำลงไปไม่ค่อยจะเห็นผลเนื่องจากกิตก็เลื่อนลอยในขณะที่ทำไม่ค่อยจดจ่อเอาจริงเอาจังต่องานของตนที่ทาลงไปผลเป็นไม่ค่อยได้ปร า, ากฏเท่าที่ควรแล้วก็ ทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือเกิดความท้อถอยภายในจิตใจและละทิ้งไปเสียโดยที่เห็นว่าหยุดเจะดีกว่าเพราะทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เวลาหยุดไปแล้วมันก็ไม่ดีแต่ความต้องสำคัญั้งตกลว่าดีกว่านั้นหรอมันเป็นเรื่องของกิเนต์ที่มาหลอกลวงเราต่างหากไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วตั้งแต่ทําอยู่มันยังไม่เห็นดีหยุดไปแล้วมันจะดีได้อย่างไง ถ้าอย่างว่าดยุดไปแล้วดี น, นี่คนทั้งหลายก็ไม่จําเป็นจะต้องดําเนิน ง, งานต่อไปนี่มันหยุดไปแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ต้องดีภายในก็ต้องดีเช่นทําการทํางานทําไม่ได้มากหยุดก็ดีกว่าถ้าอุตส่าห์พยายามทําไปเรื่อยๆทําไมมันจะไม่ได้งานก็เป็นงานที่ผลที่ทําขึ้นไม่ใช่เป็นงานที่เสี่ยงเป็นงานจะเพิ่มปรากฏผลขึ้นโดยชัดเจนอยู่แล้ว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 มันคือความพอใจมันไหลไปเลยเหมือนกัำน้ามันไหลลงทางต่ํายากหรือไม่ยากมันก็ไหลมันไปอย่างนั้นเลยไม่ทราบมันยากหรือไม่ยากแต่เวลาจะฝืนจิตฝืนใจนั้นมันก็เหมือนกับเราสายของเก็บไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้ําให้มันไหลเป็นสูงที่สูงอ่ะมันลําบากเพราะทวนกระแสการที่จะละ ความทุกข์ณสิ่งที่ใจชอบไปตามวิสัยของจิตที่เป็นวัดตะบนมันก็ต้องยากบ้างเป็นธรรมดาใครๆก็ยากแม้ท่านผู้สําเร็จนับผลนิพพานได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนท่านก็ยากถึงขั้นที่ง่ายก็ต้องง่ายแต่เราเองถึงเวลายากก็ต้องอยากแต่ไม่ใช่จะยากเหล่านี้อยู่เรื่อยไปถึงเวลาเบาบางหรือง่ายก็ง่ายเข้าไป ยินงได้เห็นผลเข้าไปโดยลาแบบดับเมื่อแล้วความยากมันก็หายไปเองเพราะมีแต่ถ้าจะเอาท่าเดียวสุขทุกข์ไม่คำหนึง่งมีแต่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการแล้วกอสักการเรียนให้เรียนเรื่องธาตุเรื่องขันให้ดูเรื่องธาตุเรื่องขันที่เกี่ยวข้องกับตนนี้เป็นหลักสาคัญสาหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย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 ไม่ใช่แตพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวลลลแล้วแล้วไปแล้วไปขอแต่จะกอบกู้เอาผลตั้งท่ั้งที่เหตุไม่ทำพอประมาณมันก็ไม่ได้นี่ากเราฝืนเราฝืนความจริงครูบาอาจารย์แต่และองค์ละองค์ือทันได้ปราปกดชื่อหรือนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาด้วยมาดวนญาตตั้งแต่ท่านรอดตายมาด้วยกันทั้งนั้น ถ้อาอเป็นงานเบาๆท่านจะรอดตายมาได้ไก็ต้องเป็นงานหนักถึงทุ่มเทกําลังกันลงอย่างเต็มที่เวลานี้ก็ลอยหลอไปมากแล้วครูบาอาจารย์ผู้เชนนั้นก็ดีมีน้อยเต็มที่เราหวงังทึ่มท่านท่านเรื่องทานเรื่องคันต้องท่านเอเป็นอนินจจงเพิ่มมาไน้อยทั่วการทั่วเวลาแล้วก็พับท่าจากกันตายดังที่เราเห็น อ, อยู่นี้แล้ว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 กาะอาครูอาัยอาจารย์นั้นเป็นของที่ไ ม, ม่เน่ยได้ในบางการบางเวลาเรามีความพักท่าจากไปท่านเนี่ักท่าเราก็พักท่าท่านเนี่จากเราก็จากเพราะโลกอนิจจมีอยู่ด้วยกันทั้งท่านกับเราไม่คิดกันเลยสิ่งที่พอเราจะยึดเอาได้ก็คือยึดเอาหลักธรรมของท่านมาผู้พฤสูปฏิบัติสําหรับตัวเองเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะเอาชัยชนะภายในจิตใจ ชัยชนะอันนี้เป็นชัยชนะที่เลิศเปรศในโลกไมนมีชัยชนะใดเสมอเหมือนเลยการชนะตนคือกิเลสที่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเรานี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะถือมาเป็นเวลานานตั้งสมความว่าเป็นเราเป็นของเรามานี้นับกลับนับกันไม่ได้ถ้าว่าเป็นด้านวัตถุแล้วความตั้งสมมานานถึงขนาดนั้นเจ้าอะไรมาเทียบเราในโลกนี้ถึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าก้อน คิดเด็ปัญหาสภาวะก้อนเราก้อนว่าเราเป็นของเราอะไรแบบนี้มีมากมายกลายกองใดโตมากเราจะมาถากมาเถื้อมาสับมาฟันเพียงหนนต้องหนนให้มันขาดไปนั่นมันก็เป็นไปไม่ไดา้ต้องไน้ทุ่มเทกำลังลงอย่างหนักหนาทีเดียวเนี่ยตอนนี้ตอนที่จะ่จะออิีงชายชนะกันเอาปรุงไน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 แยกธาตุาตกับธาตุซีเนี่ยธาตุีนั้นรู้กันเต็มโลกเต็มมือศาลแต่ว่าจ ะ, จะจะรู้ถึงใจทาบซึงถึงใจจริงนั้นต้องทาบซึ้งด้วยธาตปฏิบัติคือพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นธาตเต็มแล้วก็ซึงไปเองถ้าลงได้ซึงถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยเองคือมันถึงใจเมื่อรู้อย่างถึงใจแล้วก็ปล่อยวางอย่างถึงใจถึงใจ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 ก็ก้อนธาตุอยู่แล้วท่านเขบอกมันวิญญาณก็ธาตุเนี่ยถิ่งที่มาสัมผัสก็อนธาตุรูปก้อนธาตุเสียงก้อนธาตุธาตุอะไรอะไรมันก็เป็นธาตุทั้งหมดเอ่อเป็นขันพันธุ์ตัวของเรานี่ก็รูปก็เป็นขันเวทนาก็เป็นขันสัญญาก็เป็นขันทั้งขานก็เป็นขันวิญญาณก็เป็นขันเป็นขันเป็นหมวดเป็นหมูเป็นชิ้นเป็นอันของเขาของเราอยู่ตามธรรมชาติของของเขาเราก็ให้รู้วก็คือผู้รู้นี้ ที่ะต้องพิสูจพิจารณาให้รู้แจ้งสิ่งอย่างนั้นโดยไม่ไปยึดเอาล่านั้นมาว่าเป็นตนเป็นของตนจะเป็นภาระหนักมากขึ้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วพราะอย่างยิ่งทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายให้ทราบชัดว่านี่คือเวทนาเพียงเท่านั้นเราอย่าปฏีความหมายให้มากมายว่เาเวทนาเป็นเราเป็นของเราหรืออะไระเป็นของเราไปนั่นแ่ะเป็นเครื่อง ส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลําดับแล้วประกอบวามทุกข์ให้ประของมากในเมื่อทุกขเวทนาไม่ดับยิ่งมีความทุกขทางใจมากมายเวทนามันเกิดขึ้นในธาตุในขันอ่ะมันก็เคยเกิดอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาขณะที่ตกข้อลงมาก็เวทนาแสนสาหัสรอดตายที่ไม่เป็นมนุษย์มาจะไม่เป็นเรียกวเวทนาจะเรียกว่าอะไรนั่นมันเคยเป็นมาตั้งแต่นั้นแต่มันละทางเดิมมันละไม่ได้ทางของความทุกขในธาตุใ น, ในขันมันต้องแสดงตัวให้มันอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่อยมา มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมีเท่านั้นมีตั้งขึ้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะกเวทนานอกเวทนาในแต่พราะอย่างนี้เวทนาทางร่างกายวิ่ิาที่เห็นชัดรูปก็เป็นรูปเขาเห็นชัดตั้งแต่วันเกิดมาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรเขาจะเกิดกันตั้นยว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเจ้าข้ามหากษัตริย์หรือเป็นเจขุนมูลนายหรือเป็นอะไรก็แหนะแกเถอะเหมือนว่าไปตามโลกสมมติอิยมของโลกเป็นอย่างนั้น แต่ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันดังคำ่ำทีนี้การพิจารณาของเราพิจารณาเห็นความจริงอันนี้รูปก็คือรูปรูปประขันนี่ถ้าสืบินน้ำลงไปรวมกันเข้าเรียกว่าคนนี่เป็นชื่ออันหนึ่งว่าซับ ว, ว่ายิงว่าชายแยกประเภทออกไปเป็นชื่อเป็นนามไม่สิ้นไม่สุดแต่สิ่งที่คงที่ก็คือว่ารูปก็คือกองรูปนั่นเอง รวมทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมนี้เรียกว่ากองรูปะรูปกายนี่เป็นความจริงนั่นอย่างแยกดูส่วนไหนก็เป็นความจริงของมันแต่ละส่วนและส่วนในขณะที่ประชุมปันหนี้หนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็ก็ดูใที่เราให้ชื่อให้นามเขาที่มันสืบต่อเนื่องกันอยู่โดยลำับเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานนี่มันมีชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่ไปหลงชื่อหลงนามเพราะมัน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 ดับท้อมไปทุกระยะเนี่แต่ทุกเวทานานี้ถึงจะดับมันมันก็มีเวลาชา้านานต่างกันเพราะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกเวทาน า, นาทุกเวทานาเกิดขึ้นให้จับทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการเป็ น, ปนจุดที่พิจารณ า, นาอย่าเห็นว่าเวทานานี้เป็นเราเป็นความผิดจากลับความจริงจะเวทานานั้นเราจะไม่ทราบความจริงของเวทานานและ เมื่อไม่ทราบความจริงแล้วยังจะถือเวทนานั้นว่าเป็นเราอีกก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกามากมายกายก็งแก่ิีดใจของเราซึ่งเป็นทางผิดต่อหลักธรรมชาติหลักความจริงที่ประพุทิกจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ่ายสื่สอนให้พิจารณาให้เห็นในเรื่องทุกขเวทนาจะเป็นขึ้นในส่วนใดก็าตามของร่างกายให้ทราบวามันเป็นอาการอันหนึ่งของมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันเราอย่าไปยุ่ง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 ทานดียดว่าแย ก, แยกดูให้ดีก็รูปมันเป็นรูปมันจะเป็นเหมือนจิตได้ยังไงนะั่ะจิตเป็นนามธรรมาเป็นธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่รู้ธาตุอันนี้ธาตุไม่รู้อืมธาตุดินนี้ไม่รู้ธาตุน้ําก็ไม่รู้ธาตุลมไม่รู้ธาตุไฟไม่รู้แต่มโนธาตุนี่รู้เมื่อเป็นเช่นั้นนั่นจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรแต่ทุกเวทนาก็เหมือนกันนั่นก็เป็นธาตุไม่รู้อันั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอื ท่านไม่รู้กับท่านรู้มันก็ต่างกันอีกเช่นเวทนากับการมันก็เป็นคนละอย่างนั่นไม่ใช่อันเดียวกันให้มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรการแยกการแยกในขณะที่คือนพิจารณาเวทนาดูให้เห็นชัดตามจริงเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราจะไปสงสัยจะไปสร้างฝักสร้างน้ําปักตนเองให้เป็ดแตกเดือดร้อนความตายมันไม่มี ในจิตนี้ไม่มีความตายนี่แต่ความรู้ล้วนๆความตายไม่มีในจิตนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวร้อยเปอร็นความสําคัญว่าตายนี่เป็นเป็นเรื่องความเสศสันปั้นด อ, อขึ้นมาให้แก่จิตด้วยอํานาจแห่งความหลงของจิตเองเป็นผู้เสศสันปั้นย อ, อขึ้นมาหลอกตนเองอีกชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วจิตไม่ใช่ของตายแล้วจะไปกลัวตายหาอะไร ถรามาตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบนั่นสลายลงไปเพื่อนคนนั้นมีชีวิตยอยู่นี้คอามหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายนั่นคือผู้แยกตัวออกไปจากธาตุ น, นั้นธาตุนั้นเลยมีแต่แต่ตายเฉยมีแต่รูปธาตุเฉยเวทนาก็ไม่มีแจริงมีแต่ตายนั่นเขาเรียกคนตายวาความจี่งมันไม่ได้ตายท่านจึงให้พิจารณาดูให้ชัดเราไม่ต้อง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 เราไม่ต้องกลัวเพราะจิตไม่ในตาแต่จะขอให้ให้รู้สิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าอะไรที่แสดงขึ้นเวลานี้หรือทุกเวทนาเป็นต้นมันเป็นอย่างไรทุกเวทนาโดยเห็นตามความจริงเมื่อทราบ ต, ตามความจริงแล้วทุกเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีความหมายในตนเองหนึ่งและไม่ปรากฏว่าไปเป็นค่าศึกต่อผู้ใดหนึ่ง เป็นความจริงของมันที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของมันเองกายก็เป็นความจริงของการที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจําตนไม่ไปคลาดเคล้ากับสิ่งใดเมื่อพิจารณ์ยุ่รอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความจริงของตัวโดยสมบูรณ์ทุกเวทนาเขาก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาวกายก็มีธรรมกอนสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ของเขาโดยที่จิตไม่ไปเบ็ดแยกส่วนแดงส่วนวนุ่นวายกับเขานี่เมื่อเป็นเชนีดแล้วก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันทุกจะทุกขนาดไหนก็ไม่ระเทือนถึงจิตยิ้มได้ในขณะดจิตทั้ทงทั้งทิ่ทุกมันเกิดอยู่มากมายนั่นเองจิตใจยิ้มได้เสมอเพราะจิตเป็นอันหนึ่งจากเวทนาไม่เข้าไปยุ่งเหยิงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวทนาไม่ไปฆ่าค่ากับเวทนาให้เวทนานั้นเผาหล่นตัวก็สามารถในการพิจารณ์ทุกเวทนา เอาเวทนานั้นเป็นสนามรลกเป็นหินรับปัญญาเป็นสถานที่รับปัญญาให้คมข้า้ขึ้นด้วยการพิจารณาแยกแยะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูการแยกแยะดูเวทนาอันไดนจะดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามความจริงขมันมันมีความเกิดมีความดับถือประจำตนของมันอยู่แล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสิ่งอ น, นี้มีเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมัน พิงไม่ปีนเกี่ยวกับธําแล้วเราก็ดีสบายอาจะตายก็ตายสีตามโลกสมมุติยมว่าตายตายมันเป็นยังไงเทียบกับตายมันแตกเอาแตกไปงา น, นอะไรสลายสลายลงไปผู้ไม่สลายอยู่งะอะไรไม่สลายคือจิตแต่สร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้วมันเป็นอย่างไรไม่มีความหวั่นไหวต่อความล้มควาตายเทียบกับจิตมีความแจกาศสามารถ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 อย่าไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีกล้าก็ดีความตายมีเท่ากันถึงวันแล้วต้องแตกต้องสลายท่านเรียกว่าความตายแต่ยังไงก็ตามนักปฏิบัติให้รู้ก่อนสิ่งอันนี้จะแฝ่สภาพลงไปคือรู้ด้วยปัญญาเอาตาข่ายคือปัญญากางไว้หมดอะไรแสดงออกไปก็ไปติดข่ายคือปัญญาขัดทั้งนั้นแล้วจะวันไหนไปไหนจะเอ่ยไปไหนจะตกสะท้านที่ไหนเพราะเป็นไปตามความจริงที่ได้พิจารณาไว้แล้ว นีน่นักลบท่านพิจารณาอย่างนั้นที่ในถ้ำกลางแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุกุโดยปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็นไม่เอีย ง, ไ ม, ยงไม่หวั่นไหวไปตามอาการไรทั้งหมดนี่คือว่าผู้รู้รอบอาการเมื่อทนได้กับทนไปพอทนกัน ไ, ได้ก็ทนกันไปปฏิบัติรักษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอนพาก ดื่มรักษาอันตายตามธรรมชาติของมันเมื่อมันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะตายแค่เดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความกริงจะฝืนมันได้ยังไงปล่อยตามความกริงนั่นแหละชื่อว่าปล่อยด้วยความรู้เป็นไปตามความจริงปิดก็ไม่หวั่นไหวจิตไม่อะไรไม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้เด็ชายชนะ ภายในจิต ใ, ใจขงตนเอเพราะจิตนั้นแพ้กับกิเลสตังหามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยชนะมาเลยตั้งแต่กมไหนกันในอยู่ต้านหน้าแห่งความชนะของกิเลสหรือเรานอนตมอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะคลิกตัวของเราโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องตกราบกามกิเลสอาสวะซึ่งเคยชนะมาตลอดหรือเป็นเจ้าไหนเจ้าใหญ่นายโต ในวัตจกตักรบังคับปิดกลางเราให้ไปสู่ที่นั่นที่นี่คราวนี้เราจะตั้งหน้าสู่ให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นชัยชนะเพราะเอาชัยชนะจากความที่เคยแพ้นั้นมาครองเป็นของตัวด้วยอำนาจของสติปัญญาตัดขาความเพียนไม่นลดละนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความก้เสียนี่คือผู้ ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเสริฐคือชนะตนผู้เดียวนี้เท่านั้นปเป็นผู้ประเสริฐภายในตนของตนนะตั้งแต่ขณะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่ขี้เหล็กเป็นอันว่าหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงสิ่งที่จะมาก่อความติตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนดังที่เกิดเป็นมานั้นเป็นอันว่ายึติหรือว่าขาดกันไปเป็นคนโลกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะ่าลืมว่าความเพียรเป็นสําคัญเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นผู้ก้าวหน้าทํางานปัญญาเป็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาค้นคว้าในให้เห็นเหตุเห็ผลสติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถือเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามไปกิงในต่าส่วนต่างๆมือขันห้าเป็นต้นเนี่ยที่เลดจะไหลเข้าไปสู่ภารจิตนั้นหมด ไม่มีทางยึไม่มีทางเกอะเพราะถูกทําลายทิพไห้ผลปี้ไปด้วยปัญญาแล้วนอกจากนั้นก็เข้าตีต้นในตึกที่ไล่ค่าสึกเข้าไปรวมแล้วกระจายออกภ า, ายในจิตใจไม่มีอะไรเหลือทหารที่เดี่ตายตายที่โกงนั่นแหะตายที่โกงมันมีอยู่กับใจนั้นนหละมันอาศัยที่นั่นเสริอมอํานาจหรือทิดไายตายแต่ก็ตายไปที่นั่นด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทนสมัย นันท่านไดียวกว่าชนะความชนะอันเลิศชนะที่ตรงนี้ศาสนารวมรวมลงแล้วรวมอยู่ที่จุดนี้มาสุดวาระสุดท้ายของการปฏิบัติศาสนาก็มายุติกันลงที่ตรงนี้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ชนะกันที่ตรงนี้ถึงแดนของความพ้นทุกกันที่ตรงนี้นอกนั้นไม่มีอาหารก็ไม่มีรัฐฐานีก็ไม่มีอดีตอนาคตไม่มี ปัจจุบันรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทังหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดราวที่ทันเรียกว่าถึงนี่ผ่านทั้งไปทีน่นี่เที่ยงแน่และกิอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกพวงจิตนั้นไม่เหลือแต่ความรู้ล้นล้วนขันแม้จะปรุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่าง จะดูประคันเวทน า, นาสัญญาสังขารวิญญาณขนันมันก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยรูปมันก็มีอาการแสดงไปตามเรื่องของมันเวทนาถุกทุกข์บ้างที่ปรากฏในขันก็แสดงไปตามเรื่องของมันสัญญาความจำได้หมายรูปก็เป็นไปตามเรื่องของมันสังขารความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันวิญญาณความรับผิดนะเมื่อสิ่ง ภายนอกเขามากระทบตาหูจมูกลิ้นการจิตมันก็รับภาพระดับไประดับไปตามธรรมชาติข้งมันโดยไม่ยังจิตใจให้กำเนิบเหมือนยังแต่ก่อนทอดสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้กำเนิบนั้นได้ทำลายได้ถูกทำมาย้งหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเป็นขันรุนร้วนวนี่คือพูดถึงพันิพาณอยู่ในหว่างแข่งขันรุนร้ว น, วนถึงนิพาณทั้งเป็นในแต่จิตที่เบิกยศ